ท่านถ้าเราคิดว่าไอความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติสายตรงที่พระพุทธเจ้าแนะนําก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็จะเจริญได้อย่างเดียวเพราะเราจะเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนความเข้าใจให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเราเห็นว่าความเข้าใจเพิ่มมากเท่าใดเข้าใจยิ่งกว่าเก่าเท่าใดเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นอ น, นะนำออกจากทุก์ได้เท่านั้น แล้วก็น้อมไปเพื่อการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นถ้าเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นได้ก็เป็นกลุ่มพระจันทร์ข้างขึ้นก็คือเจริญโดยส่วนเดียวเพราะแยกแยกแยะเป็นน่ยนะแยกแยะอะไรควรเจริญไม่ไม่ควรเจริญอริยทรัพย์ก็จะเพิ่มพูนได้อย่างนี้และบนกุศลก็จะเต็มเปี่ยมได้อย่างนี้แลจิตใจก็มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างนี้แหละอันจิตใจก็จะมั่นคงมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้น คำว่ามั่นใจเนี่ยนะคิดว่ามั่นใจกับมั่นใจจริงๆไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเกลี้ยกล่อมมาฉั้นมั่นใจนะฉันมั่นใจนะนมั่นใ จ, นะนใจทั้งๆที่ทไม่มีความมั่นใจเนี่ยนะแต่ว่าอะไรนะใส่กรอบให้ตัวเองบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจมากมั่นใจสูงมากเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันแข็งมา ก, กานะแต่ข้างในมันย่อบย่าบย่อบเรียก ว, ว, ว่าถ้ากลมก็ต้นไม้กับต้นย่ามต่างกันตรงไห น, นเขาเขาแยกนะต้นไม้กับต้นย่ามเนี่ยต่างกันตรงไหนบางคนเนี่ยถามว่า ต้นตาเนี่ยเป็นญ้าหรือเป็นไม้เขามีหลักการโบราณเขาแยกกันไงว่าถ้าญ้าข้างในเนี่ยอ่อนข้างนอกแข็งถ้าสายญ้านะเช่นต้นมะพร้าวเนี่ยนะมะพร้าวหรือพวกต้นตานเนี่ยเป็นตระกูลย้าไม่ใช่ต้นไม้เ็าเรียกย้าเป็นสายตินชาติเพราะข้างในมันอ่อนข้างนอกมันแข็งแต่ถ้าเป็นต้นไม้เรียกว่าตินชาตกับพวกพวกเนี้ยนะ แล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มต้นไม้คือข้างในมันแข็งข้างนอกมันอ่อนนะก็ะเรียกว่ามีแก่นแล้วก็มีกระพรี้แต่ถ้าหากว่าแก่นอยู่ข้างนอกข้างในเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มสายญ้าชั้นใดนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าเราเข้าใจถูกต้องเนี่ยมันมีความมั่นใจในพระรัตนตรัยขึ้นไอความมั่นใจที่มีต่อพระรัตนตรัยโดยมั่นคงลำพังอ่าโดยที่ไม่ต้องเกลี้ยกล่อมตัวเองอย่างนี้แหละที่จะเจริญเทวตานุสติได้ เทวดาเหล่าใดที่มีศรัทธาแม่เราก็มีศรัทธามันมั่นใจขนาดนั้นนะนะเรียกว่าสามารถมั่นใจได้ขนาดนั้นสามารถเปรียบกับเทวดาได้ว่าเทวดามีศรัทธาเราก็มีไม่ใช่แบบแหมเพราะเทวดามีศรัทธาเราก็มีแล้วใจก็แป้วภายในรู้นะเรียกว่าอะไรนะหลอกตัวเองแป้วแป๊วไปอย่างนั้นแหละก็ทําท่าเหมือนขึงขังอะนะจริงๆไม่หรอกอย่างนั้นนะแล้วก็เนะทวดาเหล่าใดมีอ่าศีลเราก็มีศีลเทวดาเหล่าใดมีสุตตะมีจารคามี ปัญญาแม้เราก็มีคุณธรรมเช่นนั้นคเครียกว่ามั่นใจโดยโดยธรรมชาติเลยนะว่าแล้วก็เป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นกับเราพระอรียเจ้าทั้งหลายสามารถที่เปรียบได้ว่านางวิสาไม่ใช่นางวิสาขาเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธาไม่ใช่นางวิสาขานะในสวรรค์ชั้นไหนางวิสาขาอยู่ชั้นไหนนิมมานนารดี ไม่ใช่นางวิสาขาเท่านั้นที่มีศรัท ธ, ธาเราก็มีไม่ใช่นางวิสาขาที่อยู่ในสวรรค์ชันน้นนิมมานารดีเท่านั้นที่มีมีศีลไม่เราก็มีไม่ใช่แต่นางเท่านั้นที่มีหิริโอตปะสุตจากะปัญญาแม่เราก็มีคุณธรรมเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ชายก็าบอกโอ้ไม่ใช่อนาถาบินทิกาที่อยู่ดุสิตเท่านั้นนะที่มีศรัท ธ, ธา เราก็มีศรัทธาไม่ใช่อนาถาเท่านั้นนะที่มีศีลเป็นต้นเนี่ยเราก็มีเราก็มีในกุศลธรรมเหล่านั้นมีความมั่นใจตัวเองไม่ใช่วันนึกไปนึกมาโอ้ยขอให้อนาถะช่วยสงเคราะห์ลูกหลานหน่อยเถอนไงนะถ้าอย่างนี้ก็โอ้ยอีกนานแล้วนะก็กลายเป็นผู้ขอนะก็กลายเป็นผู้ขอไม่ใช่ผู้มั่นใจนะกลายเป็น ผู้ขอกลายเป็นกึ่งอดอยากนะเนีกึ่งอดอยากแล้วโอ้เขาก็จะช่วยเราได้ยังไงเนาะเนี่ยนะก็กลายเป็นคนที่มีแต่ความคิดว่าจะขอแต่ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ขอเนี่ยแปลว่าพร่องเนี่ยนะทําไมมันจึงพร่องอย่างนั้นแล้วทํายังไงมันจะเต็มเปี่ยมขึ้นมาได้ชีวิตของเราควรอยู่ด้วยความพร่องกึ่งโหยหิวทางความคิดหรือเนี่ยนะมันจะต้องเจริญจนมีความนี่แหละภาษาธรรมะใช้คำว่ามีภาระเนี่ยนะ จนเรียกว่ามีศรัทธาจนไม่หวั่นไหวในความไม่มีศรัทธามีวิริยะจนไม่หวั่นไหวในความเกียดคร้านมีสติจนไม่หวั่นไหวในความประมาทมีสมาธิจนไม่หวั่นไหวในความฟุ่งฟ้านมีปัญญาจนไม่หวั่นไหวในอวิชชาเนี่ยนะก็เจริญไปอย่างนั้นนหะทีนี้ถ้าในระดับสูงต่อไปอีกในเหนือนะท่านมองในแง่การเจริญวิปัสสนา วิปัสสนาก็คือการเจริญปัญญาเนี่ยนะการเจริญปัญญาเนี่ยถามว่าวัตถุประสงค์ของการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาแท้จริงอ่ะเพื่อต้องการอะไรแท้จริงอ่ะเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการละอะไรกันแน่อย่างเจริญเนี่ยอย่างเช่นอ่ะเจริญปฐมฌานเพื่อละนิวรณ์อันนี้บอกไว้ชัดเจนนะใช่เจริญปฐมฌานเพื่อละนิวรณนนะชื่อเจริญอยถ้าย้อนย่อกลับมาบอกเจริญเนคขัมมาเพื่อละการฌานถ้าเจริญความไม่พยาบาทเพื่อละ ความพยาบาทเจริญอโลกสัญญาเพื่อละถีณมิทะเจริญความไม่ฟุ้งซ่านเพื่อละอุทะจะกุกุจะเจริญการกําหนดธรรมเพื่อละวิจิกิจชาเจริญญานเพื่อละอวิชชาเจริญปราโมทเพื่อละอารติแล้วถามว่าเจริญวิปัสนาทั้งหลายเจริญวิปัสนาเนี่ยเพื่ออะไรถ้าวิปัสนาเนี่ยนะวินี่มันก็เป็นอุปสรรคถ้าอีกเปลี่ยนหนึ่งก็เปลี่ยนว่าเป็นอนุอนุก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันะวิปัสนากับอนุปัสนามืนอันเดียวกัน ไม่ได้ต่างกันอะไรโดยอัธะต่างกันแค่พยัญชนะคาผู้ที่เรียกขานเท่านั้นเองทีนี้ถ้าถามว่าเจริญวิปัสนาหรือเจริญอนุปัสนาแท้จริงเพื่อละอะไรเพื่อละนิจจสัญญาเนี่ยนะเพื่อละนิจจสัญญาเพื่อละความสำคัญว่ายั่งยืน น, นะนะความคิดว่ายั่งยืนความเชื่อมั่นว่ายั่งยืนพันเจริญวิปัสนาที่ถูกต้องตรงจริงเนี่ยนะ ถ้าปัญญาที่เรียกว่าผู้เจริญวิปัสสนาแท้จริงแล้วเนี่ยจะไม่คิดว่าอะไรนี่มันยั่งยืนจนมั่นใจเลยเขาไม่มีอะไรเที่ยงอยู่แล้วไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่แล้วนั้นพอฟังคําว่าตายเป็นต้นก็บอกว่าปกติดีถ้าไม่ตายนี่สิมันยังผิดปกติเพราะอะไรเพราะคนที่เจริญวิปัสสนาเขาบอกว่าชาติธรรมโตเกิดเป็นปกติรก็งั้นธรรมะตรงนั้นแปลว่าปกติ ชาติธรรมโตชาลาติธรรมโตพยาธิธรรมโตมรณติธรรมโตแก่เอเกิดก็ปกติป่วยเออก็ปกติตายปกติเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหมดแนละ้วคือไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยว่ามันจะมันจะมันจะไม่ตายได้ยังไงเพราะสาสตร์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีฉั้นจนฟังคําว่าตายนี่ปกติฟังเรื่องอะไรเสียหายว่าโอ้มันเป็นเรื่อ ง, รองธรรมดาเพราะอะไรเพราะสังขารทั้งหลายวิปริณามะ วิปริณธรรมีความสลายเป็นที่สุดสิ่งใดที่รวมตัวกันสมบูรณ์สิ่งนั้นมีความเสียหายเป็นที่สุดเนี่ยนะยังไม่กระทั่งตึกรามบ้านช่องเนี่ยนะมันก็มีการแตกทําลายเสียหายเป็นที่สุดบ้านก็มีการแตกทําลายเสียหายเป็นที่สุดแม้กระทั่งตึกอะไรนะตึกสูงเฉียดโลกก็ยังแ ต, งงตกทําลายเป็นที่สุดได้ขยะเป็นล้านตันในขยะเป็นล้านตันเนี่ยนะโอ้โหจากลายละกลายเป็นจากเหล็กที่มีราคามากกลายเป็นขยะเป็นล้านตัน มันก็ถามว่ามันมีความเสียหายแตกทำลายเป็นที่สุดนั่นคือธรรมดายาวว่าแต่ตึกเหล่านั้นแม้แต่แผ่นดินยังจะแตกทำลายเป็นที่สุดเนี่ยนะขนาดดินภายนอกยังแตกทำลายเป็นที่สุดและดินภายในเหล่านี้ล่ะถ้าหาว่ามันเกิดมีความเสียหายอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเที่ยงอยู่แล้วถ้าเจริญอนิจจานุปัสสนาเต็มที่จริงๆริหรือนั่นเรียกว่านักวิปัสสนาจริงๆริงจะไม่มีความสําคัญว่าอะไรมันเที่ยง คาดหวังจากอะไรแท้จริงไม่มีเพราะรับสภาพที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะคือไม่มีความยึดว่าเที่ยงในสังขารทั้งหลายแต่ตรงกันข้ามกลับเป็นผู้ที่ไม่ประมาทกับเก่าก็ไม่เคยคิดว่าอะไรมันจะเที่ยงมันจะยั่งยืนมันจะแน่มันจะ ส, สัตตะเนี่ยนะมันจะแน่ยึดแน่นอนมั่นคงเหมือนกับสิ่งที่มันมั่นคงจริงๆไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว จนคือเรียกว่าพระโสราบันเนี่ยคือใครคือคนที่ไม่มีความเชื่อเลยว่าสังขารมันเที่ยงเนี่ยนะมันจะยั่งยืนเป็นต้นเนี่ยไม่มีเพราะโลกของการใครครวญโดยความไม่เที่ยงเนี่ยเพียงพอเข้าใจถึงความไม่ไม่แน่นอนคือเรียกว่าอันหนึ่งคือเรียกว่ารู้อายุใช้งานของแต่ละเรื่องดีคือที่สุดของแต่ละเรื่องก็แตกทําลายเป็นที่สุดเนี่ยนะก็คือเห็นว่ารูปรูปก็มีการแตกทําลายเป็นที่สุดเวทนาก็ แตกทำลายเป็นที่สุดสัญญาสังขารและวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็มีความแตกทำลายเป็นที่สุดเนี่ยนะแต่แต่นั่นในแง่ของอตัวสังขารธรรมเนี่ยสังขารธรรมก็คืออะไรตัวปริญย ญ, ญาธรรมอะ่ะปริญยญาธรรมสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยสภาพของมันเองจะเมื่อไรที่ไหนอย่างไรมันก็คือธรรมชาติที่ไม่เที่ยงโดยโดยธรรมดาของมันเองอ่ะ คือว่าเหมือนอะไรไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วอย่างเงี้ยขี้เมาคนนี้โอ้ยมันขี้เมามานานแล้วแค่มันเป็นเรื่องปกติของของสิ่งนี้ไปแล้วฉันใดปกติของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหลายก็ฉะ น, นั้นคือปกติที่มันไม่เที่ยงใครที่ไปคาดหวังว่าเที่ยงก็คือคาดหวังความจีรังของฟองน้ำเนี่ยนะคาดความมั่นอคือว่าเชื่อว่าต่อม น, น้ําเนี่ยมันมั่นคงเชื่อได้ไหม ตอมนะำฟองน้ํามั่นคงตอมน้ํำนี่มันมั่นคงถ้าใครคิดว่ารูปเที่ยงก็เหมือนกับไปเชื่อว่าฟองน้ํามันแน่นอนเขบอกโอ้ยคนเรามันแน่นอนว่าเออสมองแน่มันแน่อะไรมันเท่ากับเท่ากับเต่าหูเท่านั้นเองนะเละๆแบบนั้นอนะ่ะไม่ได้มีอะไรแล้วยังอื่นอีกแหละแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันจะมีอะไรแน่นอนมัง่งไม่มีอะไรแน่นอนแล้วไปเชื่อมั่นกับอะไรมากมายแต่ก็คือไม่ใช่ว่าคิดว่า คือตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการเข้าไปพิจารณารอบรู้นะมันไม่ใช่เกิดจากว่าเออมันไม่เที่ยงแล้วก็พูดตัดปัญหาไปไม่ใช่แบบอะไรนะคนไม่มีความรับผิดชอบก็มีที่วัดแห่งหนึ่งสมณเณรบวชเข้ามาเนี่ยนะมันก็เรียนวิปัสนาอินจังทุกขังของนัตตาต า, ตามาจารย์ทางนั้นทะ้งนั้นก็เวลาไปทําของเสียหายของวัดเนี่ยของสงเสียหายบอกมันไม่เที่ยงครับฝว่ากันเออไม่เที่ยงก็ไม่เป็นไรแต่ใช้สงหน่อยก็แล้วกัน อาอของมันไม่เที่ยงแต่ว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงตามธรรมชาติของมันเนี่ยเช่นมันหมดอายุไขตามธรรมชาติของมันเดี๋ยวัดรับผิดชอบแต่เนี่ยอย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยไปเอาไม้ไปตีเล่นแล้วมันแตกแล้วบอกว่าไม่เที่ยงใช้คืนให้วัดก็แล้วกันนะนะถ้ากุฏิเนี่ยมันอยู่แล้วมันสุดโทมเสียหายแตกทำลายโดยธรรมชาติของมันเองถ้าอย่างงี้เดี๋ยวสงกรับผิดชอบวัดรับผิดชอบเอง แต่ถ้าบมอก็มันไม่เที่ยงแต่ว่าแม้จุดไฟเล่นอย่างไงนะวอดหมดเลยแต่ยังงี้ก็เออไม่เที่ยงแต่ใช้ใช้สงหน่อยก็แล้วการสร้างให้มันเหมือนเดิมกันแล้วกันยังไงเพราะนั้นบางอย่างมันต้องรับผิดชอบเะนั้นคําว่าไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ว่าพูดไว้เพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อตัดประเด็นว่าเออเนี่ยตายแล้วเออก็มันไม่เที่ยงอะ่ะมันไม่ใช่ลักษณะทะเลนแบบนั้นนะะเป็นคนทะเลนกึ่งกึ่งทะลึ่งไปเลยไปยไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายคือว่ารับรู้เข้าใจ ด้วยด้วยวิจารณญาณวิจารณะก็คือวิจารณะหรือตีรณะก็อันเดียวกันคือไข้ครวญอย่างละเอียดทีทั่วนะบอกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและหลายหลายอย่างเนี่ยนะไข้ค ร, ครวญเลยว่าอย่างทางธรรมะท่านบอกว่าพบที่เที่ยงไม่มีสังขารที่เที่ยังไม่มีแม้กระทั่งคิดถึงที่ใดก็าตามที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่จะสําคัญหมายที่นั้นว่าเที่ยงไม่มี อันนี้หมายความว่าถ้าเจริญอ น, นิจจานุปัสสนาโตเต็มที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันเมื่อคิดถึงอะไรที่จะแนวโน้มที่จะไปเข้าใจว่าเที่ยงอ่ะไม่มีเลยเรียกว่าตัดตั ด, ตดวิปลาสตัดความสำคัญหมายตัดความเข้าใจแม้กระทั่งลึกๆคาดว่าคาดหวังว่าเที่ยงก็ไม่มีเพราะไม่เคยเข้าไปคาดหวังว่าจะมีสิ่งใดเที่ยงจริงๆนะอันนั้นเป็นอนุภาพของการเจริญ อ น, นิจจานุปัสสนาเนี่ยนะเมื่อใดที่อา น, นิจจานุปัสสนาบริบูรณ์เต็มที่จะเลิกคาดหวังว่าจะมีอะไรเที่ยงเพราะฉะนั้นจะไม่คาดหวังว่าใครจะแน่กับเราหรือเราจะแน่กับใครหรือความคิดไหนมันจะแน่ก็ไม่ไม่เชื่อแหละไม่เชื่อไม่คาดหวังแต่ขณะเดียวกันนะถ้อยคําทั้งหลายเขาใช้ปกตินะก็ไม่ใช่เป็นคนช่วใช้คําอะไรเว่อแบบเกินไปอีกก็ไม่ใช่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็ของของชั้นอยู่ที่ไหนอย่างไงนะเออวัยนั่นก็เกินไป บางคนเนี่ยนัศึกษาธรรมะไม่ดีเนี่ยแทนที่จะใช้คําดีกลายเป็นว่าปลายเป็นคําที่เป็นโจ๊กไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะธรรมะที่สวากาโตภควาตาธรรมโมธรรมังนามสาสมาณนะครับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นกลายเป็นว่าเป็นคําที่ล้อเลียนเป็นคําที่พูดเล่นกลายเป็นว่าเอามาเพอเจอร์เล่นเล่นไปเนี่ยนะอันนั้นเป็นมิจฉาวาจา เป็นมิจฉาวาจาก็ถือว่าดูหมิ่นพระธรรมเนี่ยนะดูหมิ่นพระธรรมก็ไม่ควรที่จะเจริญงอกงามในพระธรรมเนี่ยนะบอกว่าผู้ใดดูหมิ่นสิ่งใดไม่ควรจะเจริญงอกเงยในสิ่งนั้นวนั้นอนายย้อนกลับมาว่าถ้าเจริญอา น, นิจจานุปัสสนาได้บริบูรณ์เนี่ยนะอา น, นิจจานุปัสสนาที่เจริญเติบโตบริบูรณ์เต็มที่ก็เนื่องจากศรัทธาเนี่ยดีนะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธินะเป็นตัวอุดหนุนเป็นอย่างดีเพราะว่า ชื่อว่าภาวนาก็มีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอย่างเดียวกันในขณะที่เจริญอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะเพียงแต่ว่าอนิจจานุปัสสนาหรือตัวปัญญานี่เป็นตัวนำนั้นศรัทธาวิริยสติสมาธิเนี่ยนะเขาดีอยู่แล้วเขาจึงจะเจริญอนิจจานุปัสสนาได้ถ้าโดยเรียบเรียงตามเนื้อหาอัถนั้นอนุปัสสนาทั้งหลายจะแสดงต่อจากสมาบัติเนี่ยนะจะแสดงต่อจากสมาบัติประกาศถึงว่ามีความมั่นคง ประกาศว่ามีความมั่นคงแล้วก็สมาบัติทั้งหลายก็จะแสดงจากการละอกุศลธรรมทั้งหลายอันนั้นประกาศว่าความเป็นผู้ที่มีความเพียรผู้ที่มาปฏิบัติตามนี้ได้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะมีศรัทธาที่ใดกล่าวอนิจจานุปัสสนาที่นั่นให้รู้เถอะว่าบวกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็บวกสติปัฏฐานอยู่ในสั์อยู่แล้วเน่นะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปนัสสนา สติปทานเนี่ยนะอานิจจานุปัสสนาก็คือออตามเห็นความไม่เที่ยงของกายตามเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาของจิตของธรรมะหรือเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าเห็นตามเห็นความไม่เที่ยงของรูปเรียกว่าอานิจจาอนะหรือเอ้หัอไปกายานุปัสสนาสติปทานหรือกายาอานิจจานุปัสสนาสติปทานเนี่ยนะ เวทนานิจจานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือตามเห็นความไม่เที่ยงของกายเนี่ยนะตามเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาอนะันสติที่ตั้งมั่นตามเห็นโดยความไม่เที่ยงของกายของเวทนาของจิตและของธรรมะเนี่ยนะท่านที่ใดมีอนุปัสสนาที่นั้นก็มีสติแล้วฐานของการพิจารณาอย่างนี้ก็เกิดจากมีปัญญาดูก่อนพิสูททท จ, ส ท, ท, จสทั้งหลายเาธอทั้ทงหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อเธอทั้งหลายเจริญสมาธิแล้วเธอทั้งหลายก็จะเห็นตามความเป็นจริง ถามว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้เห็นตามเป็นจริงรู้เห็นอะไรก็เห็นรูปไม่เที่ยงตามความเป็นจริงเนี่ย น, นะรูปไม่เที่ยงตามความเป็นจริงกับคิดแช่งรูปเหมือนกันไหมเนี่ย น, นะก็คนเราปกติตายแน่นอนใช่ไหมก็เออเข้าใจว่าเออศาสต ร, ร์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีกลับแช่งให้มันตายวันตายคืนอันนี้คนละอย่างอยูแล้วใช่ไหมคนที่เจริญวิปัสสนาไม่ใช่คนแช่งนะไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าพยาบาทเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็อย่างนั้น อันนั้นก็ไม่ใช่แต่เข้าใจว่าเออไอคําว่าไม่เที่ยงนี่มันหมายอายุชัยงานของสิ่งเหล่านั้นนะก็คือมองทุกอย่างโดยอายุไขของสิ่งนั้นอายุของกรรมชรูปเช่นอายุของกรรมชรูปควรจะเท่าไหร่ก็เข้าใจในหลักกรรมชนะกะกรรมอุปสารรมภกรรมอุป ป, ปีรกรรมและอุปคาตกรรมอายุของจิตชรูปละ่ะอายุของจิตชรูปมันก็แล้วแต่พยาจิตราชเขาจะว่าไง น, นะเพราะแล้วแต่ใจใช่ไหม ถ้าใจมันแน่นอนใจมันขึ้นตรงที่วัตถุและอารมณ์พร้อมทั้งอุปนิสัยถ้าจิตเปลี่ยนไปรูปก็เปลี่ยนไปน่ยนะถ้าว่าคนเครียดทั้งวันเราจะไม่ให้ทําหน้าตายิ้มแย้มจะเป็นไปได้ยังไงหน้าตายิ้มแย้มมันขึ้นอยู่ที่จิตเนี่ยนะถ้าจิตยังสดใสอยู่ต่อไปหน้าตาก็ยิ้มแย้มไปเรื่อยๆถ้าใจขุ่นมัวเมื่อใดก็ตามแต่คุณภาพของจิตเหมือนันนี่ยเพราะจำไม่คาดหวังว่าจิตแต่ชรูปเนี่ยมันมั่นคงเพราะมันเนื่องด้วยจิตแล้วอาหารชรูปละ มันก็ก็ว่ากันเป็นมือๆไปเนี่ยนะถ้าอดอาหารตัดข้าวตัดน้ําตัดขาดทุกอย่างก็ประมาณไม่เกินสิบวันอะไรเงี้นเถอะแต่ถ้านั่งเฉยๆ อ, อาจจะประมาณเจ็ดวันไม่ทําอะไรเลยนะถูกขังเดียวตัดอาหารแล้วไม่มีการขยับตัวอะไรอยู่นิ่งๆก็อาจจะประมาณเจ็ดวันประมาณตัดน้ําหมดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตัดนะตัดน้ําด้วยประมาณเจ็ดวันทีนี้ถามว่าถ้าอุตุชรุปล่ะคาดหวังอะไรจากอุตุชรุปใช่ไหม ร้อนเกินไปถ้าอุณหภูมิที่เหมาะสมเอออายุอาจจะยืนหน่อยนะพอดีเลถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปปั๊บเนี่ยนะข้างในมันเกิดร้อนขึ้นมา45องศาเฮ้ยตายตั้งแต่40แล้วมั้งดูท่านนะนะถ้ามันไข้ขึ้นถึง40องศาทั้งวันเลยเนี่ยนะอยู่สักเจ็ดวันได้ไหมไม่ถึงเอาถ้ามันลดมาเหลือแค่ร่างกายอุณหภูมิแค่20องศาก็ตายไปตั้งนานแล้ว ตายตั้งแต่สิอะไรนะตายตั้งแต่21่ดแล้วมังยังมันมาถึง20่หรอกนะฮะมันก็อะไรเพราะอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันพร้อมที่จะแปลเปลี่ยนตลอดแล้วไอเตโชธาตุเนี่ยไม่ใช่อธิบายในแง่อุณหภูมิแล้วมันเป็นพิษได้ไหมในตัวของมันเองเพราะสารพิษทั้งหลายคืออะไรคือเตโชธาตุมันอุณหภูมิก็รวมทั้งสารพิษในร่างกายมันพร้อมที่จะแปลมาเป็นพิษแค่เรียกว่าภูมิแพ้ใช่ไหมภูมิแพ้มันกัดตัวเองได้พร้อมที่จะเปื่อยได้ทุกที่ ไม่น่าเชื่อน้ําอยู่ๆแล้วมันก็เปื่อยโดยตัวธรรมชาติของมันเองเครว่าแล้วมันเป็นพิษเป็นอะไรพร้อมที่จะเสียหายโดยกรรมชะรูปจิตตชรูปปรตูชรูปและอาหารชรูปแล้วจะไปคาดหวังอะไรกับรูปว่ามันจะเที่ยงอ น, น, นาคตหวังอะไรได้จากกรรมชรูปจะคาดหวังได้อะไรจากจิตตชรูปคาดหวังอะไรได้บ้างจากอาหารชรูปจะคาดหวังอะไรได้บ้างจาก อตชารูปเนี่ยนะก็จะมีการแยกแยะแล้วรูปเหล่านี้ไม่เที่ยงแล้วความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นโดยอาศัยรูปเป็นวัตถุและอารมณ์เราจะเอาเอ า, เอาอะไรแน่จากความรู้สึกเอาอะไรแน่จากเวทนาถ้ารูปเนี่ยมันถ้ารูปดีเวทนาก็ดีถ้ารูปเลวเวทนาก็เลวถ้ารูปปานกลางเวทนาก็ปานกลางถ้ารูปมันเลวเสียหายไปเวทนาเหล่านั้นก็เสียไปด้วยถ้ารูปดีๆเสียหายไป เวทนาก็เสียหายไปด้วยถ้าเวทนาปานกลางแตกทำลายเสียหายไปสิ่งอย่างอื่นอย่างเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ก็แตกทำลายไปด้วยเน่ยนะทีนี้ถามว่าเมื่อรูปก็แตกทำลายเวทนาก็แตกทำลายแล้วคาดหวังไหมว่าสัญญามันจะแน่นอนคาดหวังอะไรได้มังว่าสัญญาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกามมืสัญญาจะกระว่าอะไรนะ บางคนเขาบอกทวงเอาเมื่อก่อน ก, ก็รักกันมากไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเอาก็รูปมันเปลี่ยนเวทนามันเปลี่ยนแลจะให้กามสัญญาไม่ไม่เปลี่ยนได้ยังไงว่างั้นอ่ะการสัญญาก็เปลี่ยนไปพยาบาทสัญญาก็เปลี่ยนไปวิหิงสาสัญญาก็เปลี่ยนไปแล้วไปคาดหวังอะไรอย่างอย่างที่เขาอะไรนะแต่เขาบอโอ้เมื่อ ก, ก่อนก็เห็นว่าชอบพอกันมากอันนั้นก็ถามหาการมสัญญาที่เคยมีในอดีตใช่ไหมแล้วตอนนี้พอรูปมันเปลี่ยนแล้วการมสัญญามจะไปแย่งยืนได้ยังไง แล้วก็บางอย่างการมาสัญญาดับไปพยาบาทเข้ามาแทนเนี่ยนะวิหิงสาสัญญาก็เข้ามาแทนชั้นใดถ้าหากว่าไม่อบรมมาดีๆไม่ตอนหลังตอนท้ายๆในในภาเวตาประามก็คือผู้ที่เห็นรูปชื่อว่าภาวนาถ้าไม่ใ ค, ควรวนรูปเวทนาสัญญาสัญญาสงขารไว้จนเพียงพอจริงๆเนี่ยนะาการมาสัญญามันจะโตเอาัวเอาเอานี่ยนะเคราะอายุมากขึ้นไม่ใช่การมสัญญามันลดลงเลนะ แต่มาว่ามันได้อุปนิสัยที่มันโตขึ้นแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นอย่างโรคบางอย่างนี่ไม่ใช่ว่าปล่อยนานๆแล้วมันจะอ่อนแอลงนะไหมฉันใดกิเลสที่อยู่ในใจกามสัญญาก็เหมือนกันพยาบาทสัญญามันก็โตขึ้นวิหิงสาสัญญาก็โตขึ้นพันจะต้องมาเจริญเนกขมมะสัญญาให้มากๆเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยให้เป็นที่ตั้งแห่งเนกขมมะสัญญาให้เป็นที่ตั้งแห่งอัพยาบาทสัญญา ให้เป็นที่ตั้งแห่งอาวิหิงสาสัญญาก็มาเพาะเชื้อใหม่เพาะสัญญาแนวใหม่ที่เป็นเรียกว่ากุศลสัญญาเนี่ยนะก็มาเจริญกุศลสัญญาแทนเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยประละเลยปล่อยตามเวรตามกรรมปล่อยตามชีวิตที่ไม่ได้อบรมกรรมฐานอะไรมันจะต้องไปในอะไรในการมาฉันทะเรียกว่าการมสัญญาพยาบาทพยาบาท่ก็คือพยาบาทสัญญานั่นแหละแล้วก็พวกอุทจกักขุกุจจะก็เป็นอะไรวิจิตร วิหิงษาสัญญาก็เข้าไปในกลุ่มอกุศลแสัญญาทั้งหลายไม่ทํายังไงให้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกุศลสัญญานี่แหละที่เรียกว่าต้องมาเจริญภาวนาเนี่ยนะให้เป็นอนิจจานุปัสสนในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่คาดหวังว่ามันจะเที่ยงจนไม่มีความคาดหวังในรูปว่าจะยั่งยืนแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะไม่คาดหวังเลยว่ารูปจะยั่งยืนแม้แต่นิดเดียวว่างั้นจะแม้โดยที่สุดเท่าปลายมเมล็ดพันธุ์อากาศจะยั่งยืนเนี่ยนะ เอางี้นะถ้าเกิดรูปของเรามันยั่งยืนเอาเช่นเลือดมันไม่ขยับตัวเลยมันเที่ยงมันอยู่แข็งชื่ออยังงั้นเลยนะมันไม่มีการขยับตัวเลยจะเป็นยังไงเอาไหมลมหายใจมันเกิดมันยั่งยืนเลยนะเกิดมันไม่ทํางานเลยนะมันแข็งชื่ออยังงั้นเลยนะเกิดปอดมันแข็งขึ้นมาทําไงเอามันมันแข็งเลยนะเพราะมันพวกนี้จริงๆอะคาดหวังอะไรไม่ได้เลยเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงโดยตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาแต่มีแต่ความเมาของเราเนี่ยหรือวิปลาสหรือสัญญาตัวนั้นแปลว่า นิจจวิปลาสนิจจสัญญาเนี่ยพวกนี้เป็นความเมาเป็นความวิปลาสเป็นความเพี้ยงไปวิป ร, ริตไปเท่านั้นเองว่ามันน่าจะเที่ยงเลยนะมันน่าจะเที่ยงฉันต้องเจรณานิจจานุปัสสนาให้เพียงพอจึงจะละความสําคัญว่าไม่เที่ยงแล้วมีเป้าหมายว่าวันไหนเราจะเลิกคิดว่าสังขารเนี่ยเที่ยงเลิกคิดและเลิกคาดหวังแล้วว่าสังขารจะเที่ยงเออต้องบอกตัวเองกันนะวันไหนดีวันเนี่ยเออวันไหนนะสังขารเนี่ยไม่เที่ยงแล้ว ยอมรับจริงๆว่ามันไม่เที่ยงจริงๆอะนะวันที่ทําใจได้ว่าสังขารไม่เที่ยงแต่ตอนนี้ยังหวังอย่างนั้นเลยนะยังหวังว่ามันจะเที่ยงอ่ะแล้ววันไหนจะรู้จริงๆว่ามันจะไม่เที่ยงจริงๆอะไรยอมรับเลยนะยอมรับว่าเออมันไม่เที่ยงจริงๆตอนนี้เนี่ยตัเชื่อตามพระพุทธเจ้ารอกก็เขาว่าไม่เที่ยงอธิบายโดยเหตุผลด้วยเอก็ไม่เที่ยงจริงๆแต่ว่าเอ้ใจจริงเนี่ยนะรูปของลูกเราไม่เที่ยงเนี่ยไม่กล้าคิดไหมรูปของอะไรนะอะไรที่ที่เรอะไรนะ คำว่าไอ้ไม่เที่ยงเนี่ยเขาให้พิจารณาที่ไหนรู้ไหมเขาไม่ให้ไปพิจารณากับพวกศัตรูเราหรอกพิจารณากับสิ่งที่เรารังเกียจหรอกเขาให้พิจารณากับที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจเนี่ยเอาให้เรื่องนี้ไปคิดให้มากที่สุดเนี่ยนะโดยเฉพาะอะไรนะเออแล้วรูปของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารเฉพาะภายในเนี่ยจักขุมไม่เที่ยงโสตขานาเป็นต้นเนี่ยนะก็หมั่นมาพิจารณาภายในจนจนเพียงพอจนเลิกเข้าใจผิดแล้วว่ารูป รูปภายในจะเที่ยงเลิกเข้าใจผิดแล้วเวทนาจะเที่ยงสัญญาสังขารและวิญญาณจะเพียงแล้วก็เจริญความรู้ไอ้ไม่เพียงไอ้ความรู้ที่ไม่รู้ว่าไม่เพี่ยงนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติทํายัางไงจะให้ความรู้ตัวเนี้มันเกิดได้บ่อยละ่ะมันเกิดได้บ่อยแล้วเกิดได้มากเกิดจนเพียงพอที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนั่เนี่ยนะเกิดจนเพียงพอที่จะเบื่อหน่ายควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายควรแท้ที่จะ ใครกำหนัดเนี่ยนะเมื่อใดแค่ไหนและอย่างไรนักก็ต้องบอกใจเราเองว่าแค่ไหนเราจรึงจะเจริญพอแล้วก็ถ้าเจริญทุกขานุาปัสสนาจริงก็ละสุขสัญญาได้เนะเจริญเาะว่าเมื่อใดที่จะเห็นว่ารูปเนี่ยเป็นสุขไม่มี น, นะเวทนาเป็นสุขสัญญาเป็นสุขสังขารเป็นสุขวิญญาณที่เป็นสุขที่แท้จริงไม่มีเพราะยะนิจังต่างทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้น เป็นทุกข์เนีนะเป็นทั้งวิปริณามทาะทุกข์สังขาระทุกข์เป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยเพราะว่าสิ่งไม่เที่ยงบางอย่างนี่ฉันไม่ร้องไห้โฮเลยนะพราบ่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยบอกเอออะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเลบอกรถเราไม่เที่ยงด้วยนี่แหมทาใจายากนะมันก็ต้องยอมรับว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พิจารณาทุกอย่างนะเพราะว่าจนละความสําคัญหมายว่า สิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งสุขได้อย่างไรเพราะตัวตัวสิ่งนั้นนั้นน่ะก็ไม่เที่ยงโดยธรรมชาติโดยสภาวะของสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงอยู่โดยธรรมชาติของเขาเองอยู่แล้วแล้วสิ่งเหล่านี้จะสุขได้อย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความสุขได้อย่างไรเนี่ยนะก็ละความสำคัญหมายว่าสิ่งเรียกว่าละนิจจะถ้าถ้าเป็นใน ทั้งอนนี้มิตานุปัสนาอปะนิฮิตานุปัสนาสุญญ า, านุปัสนาก็คือสิ่งเดียวกันจนไม่มีเครื่องหมายไหนที่มันประกาศว่ามันเที่ยงเลยไม่มีนิมิตเครื่องหมายว่านี่เที่ยงอ น, นะไม่มทีที่ใดที่มันมีเครื่องหมายว่าจะสุขไม่มีเครื่องหมายที่ใดว่าจะเป็นอัตตาเลยแม้แต่ที่เดียวถ้าหากว่ากะโหลกกระดูกไข้นี่แปลว่าอะไรกระดูกไข่แล้วมีกระโหลอ ก, อกอันหนึ่งก็แปลว่าอะไรแปล ว, ว่าสนุกมันมีความสุขแท้จริงไหมอ่ะมีโทษใช่ไหม เมือ่อใดเราจะเห็นทุกอย่างเป็นอย่างนั้นบ้างคือคือมันไม่มีคเครื่องเรียกว่าเครื่องหมายแห่งสุขก็เป็นอะไรนะัเป็นรูปใบรูปหัวใจรูปอะไรแล้วก็ยิ้มแย้มรูปอะไรนะคือคือมันดู ง, งามๆนะดูดูแล้วมีความสุขนะ่นยแต่ทีเนี้ยถ้ามีเครื่องหมายบางอย่างกระโหลกไข่เนี่ยนะแล้วเห็นคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเห็นแบบนั้นแสดงว่าทุกสิ่งนั้นอันตรายเนี่ยนะนั้นอันตรายมันไม่ได้หน้าหน้าสดชื่นฉันใด ถ้าหากว่าปัญญาบริบูรณ์เต็มที่แล้วก็จะไม่สำคัญว่าอะไรที่จะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะก็เห็นอันตรายที่จะมาตามรูปเหล่านั้นอันตรายที่มาจากเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่จะมีแต่ส่วนที่น่ายินดีอย่างเดียวแต่ว่ามีโทษหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะอะไรจะมีโทษเท่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอีกแล้วถ้าไม่มีรูปจะมีโรคหม แล้วถามว่าโรคในโลกนี่มีเท่าไรหรอ่ะอุบัติเหตุในโลกนี้มันมีเท่าไหรความเสียหายอันตรายการเข็นการฆ่าการลักการขโมยกา ร, กา ร, การประพฤติผิดในการการดื่มเหล้าเมา ย, ยาเป็นที่มาแห่องอุบัติเหตุทุกชนิดมันโลกของรูปทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเป็นโลกของรูปเป็นโลกของวัตถุทั้งนั้นถ้ามีวัตถุนั่นแหละมันจึงมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะมีมหาภูตรูปมีดินมีน้ํามีไฟมีลมจึงมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จนเห็นว่ารูปไม่มีเครื่องหมายแห่งความเที่ยงเลย ไม่มีรูปใดเป็นนิมิตเครื่องหมายบอกว่ามันเที่ยงไม่มีรูปไหนเป็นนิมิตเครื่องหมายว่ามันจะเป็นสุกแม้แต่อันเดียวเพราะเห็นภาระตามมาจากรูปเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นเห็นพิษภัยทุกโทษที่ตามมาจากรูปเหล่านั้นแล้วก็ไม่สําคัญว่ารูปเหล่าไหนจะเป็นอัตตานะนะะมันจะมีผู้ใดไปมีอํานาจอะไรจริงๆในรูปเหล่านั้นเนอน ะ, นะบอกว่าโอ้ไม่เชื่อง่วงๆเอว่าขอให้มีอํานาจไปเปลือกตาด้วยจะยกขึ้นไหมเอาะยกไม่เคยขึ้นหนักจริง เคยป่วยไม่บอกป่วยแล้วมันจะรู้ว่าโอ้ยทุกแพ้ทุกแพ้เนี่ยน ะ, น ะ, นะ ม, ม, มีมีมีอำนาจอะไรในโรคบ้างหัวเอ้ยอย่าปวดนักเลยฉันก็ดูแลมาอย่างดีนะฟานอย่าปวดนักเลยเนี่ยนะอย่าเมื่อยที่อย่าอย่าเครียดสิความดันให้มันพอ ด, ดีพอ ด, ดีสิมันขึ้นมากทําไมอย่างเงี้ยน ะ, นะ <c oughs> คุยกันไม่รู้เรื่องก็เชื่อเรอะมันก็ไม่มีใครมีอํานาจอะไรอยู่ในนั้นจริงๆอะไรหรอก อย่าปวดหัวอย่าตัวร้อนอย่าเป็นไข่อย่า IC, ไอสิไอครั้งเดียวก็พอแล้วเนี่ยนะสเลดอย่าออกมากสิ อ, ออกหน่อยๆก็พอแลว้วให้มันแข็งแรงอุย้ยคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกอย่าหิวอา้าวเมื่อเช้าก็ทานให้แล้วนะอะไรงี้ยนะเมื่อวานก็ท่ยทานให้แล้วเอาอีกทําไมอย่างเงี้ยนะไม่รู้เรื่องหรอกมันมันรู้เรื่องขนาดนั้นไม่ได้ดิบได้ดีเป็นนานแล้วเจ้ามันไม่ฟังหรอกเพราะมันไม่มีเครื่องหมายว่าอัตตาอะไรอยู่ในนั้นหรอกไม่มีผู้ใดมีอํานาจอะไรที่แท้จริงมันหรอกที่นี้ว่า ะอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านจะพิจารณาอะไรทั้งหมดที่คล้อยต่อความจริงอันนั้นคล้อยต่อความไม่จริงที่ไม่เที่ยงคล้อยต่อความไม่จริงที่เป็นทุกข์คล้อยความเป็นจริงที่เป็นอนัตตาคือท่านเห็นให้สอดคล้องคล้อยต่อความเป็นจริงที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาท่านจะไม่ฝืนแต่คนที่ไม่ได้อบรมอนุปัสสนาทั้งหลายผู้ที่ไม่เจริญสัมมาทิฏฐิไม่เจริญอนุปัสนาไม่เจริญปัญญาไม่เจริญมัจทั้งหลายผู้นี้ฝืนความเป็นจริง เฟินว่ามันน่าจะเที่ยงมันน่าจะสุกน่าจะมีอัตตาน่าจะไปมีผู้มีอำนาจอะไรที่แท้จริงในสิ่งนั้นก็ก็คือแต่ทีนี้ว่าพอเราพูดถึงอนุปัสสนาทั้งหลายเนี่ยถามว่าถ้าอยู่ในมงคลอย่างที่เราสวดเมื่อกี้อยู่มงคลข้อไหนการพูดลักษณะเนี้ยอริยสัจจานะัทสนาพูดเพื่อให้เห็นอริยสัจแต่ไม่ใช่ว่าเอามงคลในข้อสามสิบสามเนี่ยนะมาพูดแล้วก็ อ้มงคลต้นต้นเสียหายหมดเลยการงานก็อากูลเพราะเอาอนิจจังมาที่บายก็เลยไม่รับผิดชอบการงานพ่อแม่ป่วยไข้ก็ไม่ต้องดูแลสนใจก็เันป่วยเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาท่านก็แก่มากแล้วก็ตายได้แล้วเป็นต้นก็มันไม่เที่ยงเป็นต้นแต่ถ้าอย่างนี้มันก็เลยทงแล้วนะแสดงว่าผิดพลาดมหาศาลแล้เพราะฉะนั้นพานก็ไม่ต้องให้อะไรสิ้นก็ไม่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นจะคบกับใครมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นพานมันดิตแยกไม่เป็นซากอย่างเลยนะ กลายเป็นว่าเรากับพระพุทธเจ้าก็เสมอกันหมดแล้วถ้าอย่างนี้ก็นี่ก็โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเนาะสาธุบุญใดที่ทํามาก็าให้ห่างคนประเภทนั้นให้มากๆเออนี่เนี่ยบุญกุศลที่กล่าวทำมากก็ให้ห่างคนประเภทนี้ให้ห่างๆอยู่คนละอะไรนะอยู่คนละฟากโลกได้ดีที่สุดนะนะถ้ากกเขาบอกว่าโลกกลมๆเนี่ยเราก็อยู่คนละข้างเลยนะให้มันยันตรงกันข้ามตลอดเลยอจะให้มันใกล้กันได้เด็ดขาดเลยนะ ในการเจริญอนุปัสนาทั้งหลายการเจริญวิปั ส, สนาทั้งหลา ย, า เ, สสาลายเพื่อให้เห็นอริยสัจจะทำก็เหมือนกันจะต้องมงคลอย่างอื่นๆรองรับในตัวอีกสามสิบกว่ามงคลจะต้องเป็นคนที่มีมงคลอยู่ในตัวเองประมาณสามสิบมงคลจึงจะเจริญอย่างนี้ได้แต่ถ้าอัปมงคลในตัวนะวิชาพวกนี้มันจะเป็นดาบสองคมกลับมาฆ่าตัวเองกันดีเลยเพราะดีไม่ดีก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฐิกลายเป็นคนที่ ทำลายคําสอนโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนะท่านท้าศึกษาอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาบอกถามว่าใครเป็นคนทําลายบอกว่าคนที่ว่านี่แหละเป็นคนทําลายเพราะอะไรเพราะเข้าใจคําสอนอย่างผิดพลาดเนี่ยนะหนักๆเขาก็ไม่มีความเคารพอะไรนะพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาเป็นต้นก็ไม่มีเนี่ยนะนั่นก็อันนั้นก็เป็นความเสียหายที่อยากจะขับกล่าวเน้นนะนะว่ามันจําเป็นจริงๆถ้าศึกษา ผิดพลาดก็กลายเป็นพวกปล่อยปละละเลยเนี่ยนะไม่ใช่ปล่อยว่าปล่อยแบบต่างธรรมะเนี่ยนะที่พุทธพจน์บอกว่าทำทั้งพวงไม่ควรยึดมั่นไม่ควรจะยึดนะว่ามันจะเที่ยงไม่ควรยึดว่ามันจะสุขไม่ควรยึดว่าจะเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อมันยึดถือไม่ได้อ่ะเพรา ะ, ะ, ะเมื่อมันยึดว่าเที่ยงไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะมันคืออะไรก็เพราะจริงๆมันก็คือสังชรามมรณะมิชาเป็นปัจจัย ชาติมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีพพเป็นปัจจัยพบก็มีนะะมีอะไรเป็นปัจจัยมีอุปาทานเป็นปัจจัยชรามรณะที่มีชาติเป็นปัจจัยจะเที่ยงมาจากไหนชาติที่มีพบเป็นป er? ัจจ e ัยตัวมันเองจะเที่ยงมาจากไหนพบที่มีอุปาทานเป็นปัจจัยแล้วตัวมันเองจะเที่ยงมาจากไหนเพราะอะไรเพราะตัวปัจจัยมันก็ไม่เที่ยงต้นเหตุมันก็ไม่เที่ยงผลจะไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงเนี่ยเขาเผลอเริ่มมากกว่าเก่าใช่ไหม ปล่อยประละเลยปล่อยกายปล่อยใจไปในอกุศลเต็มที่เลยใช่ไหมบอกไม่ควรแท้ที่จะเจริญกุศลอยู่ด้วยความไม่ประมาทชีวิตมีแต่อยู่ด้วยความไม่ประมาทยิ่งไม่ประมาททั้งนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ประมาทที่จะรีบาพาเพียรพยายามให้เห็นอริยสัจเนี่ยนะคิดว่ายิ่งไม่ประมาทขึ้นเท่านั้นยิ่งเป็นคนที่ไม่ปล่อยประละเลยเมีความระมัดระวังสำรวมอย่างเต็มที่ก็ดูว่าคนที่มีความรู้จริงเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านําตัวยังไง คนที่มาตรฐานที่สุดเลยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรู้จริงๆแล้วก็ทํำยังไงแต่ถ้ารู้ผิดรู้พลาดรู้ไม่ถูกเนี่ยทําตัวเล่เทสเลยเนี่ยนะกลายเป็นว่าเสียหายย้อนอีกมาทีหนึ่งนะถ้าหากว่าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นเจริณาจารย์นุปัสนามากทุกขานุปัสนามากอนัตตานุปัสนามากไม่มีเครื่องหมายว่าเที่ยงไม่มีเครื่องหมายว่าเป็นสุขไม่มีเครื่องหมาย ใดๆว่ามันจะเป็นอัตราในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะมีรูปใดน่าเพลิดเพลินบ้างไหมอย่างที่สุดที่สาธยายกันบ่อยๆเมื่อเห็นตามเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายที่เบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะอะไรเพราะไม่มีรูปใดที่มันจะเที่ยงมันจะสุขและจะเป็นอัตราเลยไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่าใดที่พอจะให้เห็นว่าเที่ยงสุขยั่งยืนและเป็น อัตตาเลยเพราะฉะนั้นจึงเบื่อหน่ายเนี่ยนะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดก็เรียกวิราคานุปัสสนาไอวิราคานุปัสสนาตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่ยังไม่ใช่ถึงกระดับอมัดอะไรเนี่ยถ้าเป็นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดพระที่อื่นเนี่ยเป็นมัดแต่ว่าวิราคาตรงนี้ก็คือละราคานั่นเองอนะละละอะไรละตันหาละฉันทราคาในสิ่งนั้นเนี่ยนะ แล้วก็ขยานุปัสนาเนี่ยนะขยานุปัสนาก็คืออะไรเห็นโดยละคณะสัญญาละความสําคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะละความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนิโรธานุปัสนาเนี่ยนะก็ละสมุทัยเนี่ยนะละการเอ่อละการสร้างขึ้นเนี่ยนะละความอะไรนะแบบคล้ายว่าโรคมะเร็งเนี่ยนะเออผ่าตัดก้อนนี้ออกไปแล้วขอก้อนใหม่ขึ้นมาอีกไหมต้องการสร้างขึ้นมาอีกไหม ฉันใดสมุทัยก็ฉันนั้นถ้าเห็นความดับเท่าไรเนี่ยนะนอมไปเพื่อเห็นความดับก็ไม่ต้องการสร้างกองทุกข์ขึ้นมาปฏินิสขานุปัสสนาก็คือสละคืนเนี่ยนะเพราะไม่ถือมั่นละความถือมั่นได้ทีนี้ถ้าหากว่าวิญญานุปัสสนาก็ละอายุหนะก็คือละประมวลมาบอกไม่ต้องการสร้างอีกต่อไปวิปริณามานุปัสสนาก็เห็นถึงความไม่ไม่ยั่งยืนเนี่ยนะละทุวะก็คือความสําคัญว่ายั่งยืนละนิมิต นิมิตคือนิมิตว่าเที่ยงปณิธิความปรารถนาด้วยตันหาอภินิเวสการยึดถือด้วยทิฏฐิเป็นต้นก็จะไม่มีเนี่ยนะก็ไม่ได้ถือสังขารทั้งหลายว่าเป็นสาระอะไรจะไม่ละความยึดถือว่าสังขารเนี่ยเป็นสาระละสัมโมหะอภินิเวสาก็คือละซัมเนี่ยแปล ว, ว่าพร้อมโมหะก็งโงโง่หลงอภินิเวสแล้าความยึดถือ ละความยึดถือด้วยความงมงายลุ่มหลงแบบเรียกว่าลุ่มหลงงมงายเป็นต้นถูกขจัดออกไปแล้วก็ละอารยาพินิเวสะอารยาก็คืออาลัยเรียกว่าตัดอาลัยอาวอนในในอุปาทานขันอปติสังขาก็คือไม่พิจารณาก็มีการพิจารณาอย่างรอบครอบละสังโยคาพินิเวสะการสังโยคะในปรลวาการประกอบ อนะอภินิเวศก็คือการยึดถือยึดถือไว้ด้วยการประกอบแบบเรียกใช่ไนหะเออนะถ้าเป็นเครื่องยนต์นกลไกเขาบอกไขน็อตไว้สดีเยี่ยมหมดเลยนะี่ก็รื้อออกหมดนี mm ่ hmm. ถ้าเป็นถ้าเจริญตามนี้ได้อย่างสมบูรณ์ mm hmm. อนุปัสนาสัมมาทิฏฐิที่บริบูรณ์อนุปัสนาก็คื อ, อมาาัคคามัคคายานัศนาวิสุทธิปฏิปตายานทัศนาวิสุทธิ ถ้าวิสุทธิเหล่านี้บริบูรณ์อินทรีห้าเหล่าอื่นก็จเจริญ ม, มาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นปัจจัยแก่โสดาปฏิมา ก, ก็ละกิเลส ท, ที่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฐิได้นีะทีนี้ถ้าอันนี้ก็เป็นทัศนมนามมรรคที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเมื่อล ะ, อะกิเลสเหล่านี้ได้ก็จเจริญอริยมรรคระดับสูงละอะไรจะเจริญสกะทาคามีมรรคละกาเมราคะปฏิฆะอย่างยาบนะ จเจริญอาณาคามิมรรคก็ละกามราคะปฏิฆาอย่างละเอียดละกิเลสที่เหลือด้วยอรหัตตมรรคทั้งหลายเพราะกุศลธรรมเหล่านี้ยอินทรีย์เนี่ยทำกิจร่วมกันแล้วก็การปฏิบัติกุศลธรรมเนี่ยต้องเป็นไปยอย่างเหมาะสมและสม่ําเสมอไม่ก้าวล่วงกันจเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะนำเป็นภาระนําเป็นธุระในการจเจริญกุศลธรรมเหล่าเนี้เรียกว่านําความเพียรอันสมควรแก่ธรรมนั่นนะเรียกว่าใส่ใจ ดูแลเป็นภาระทำธุระได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็เจริญเป็นอย่างมากเนยนะเจริญเป็นอย่างมากอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าภาวนาเก้ามั้นใครที่รอบรู้ในเรื่องรูปก็เรียกว่าภาวนาเหมือนกันรู ป, ปังปัตสันโตเนี่ยนะเห็นรูปเห็นเนี่ยเป็นชื่อของอนุ ป, ปัสนาปัสสันโตเนี่ยก็คือปัตสนานั่นแหละอันเดียวกัน ก็คือปัญญาที่เห็นรูปนี่แหละปัญญาอ น, นั้นชื่อว่าภาวนาปัญญาที่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณะนะตาตากับรูปหูเสียงเป็นต้นเนี่ยก็คือวิจัยวิปัสนาภูมิทั้งหมดการพิจารณารอบรู้ในวิปัสนาภูมิตัวปัญญาตัวนั้นก็เรียกว่าภาวนาเนี่ยนะเรียกว่าภาวนาเชื่อว่าญาณพรารู้ธรรมนั้นนะนะชื่อว่าปัญญาพรู้ชัดเพราะฉะนั้นธรรมปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่า ธรรมะเหล่านี้ควรเจริญธรรมะเหล่านี้ที่ควรเจริญทั่วในครั้งคืออะไรควรเจริญอันนั้นก็คืออย่างทั่วในครั้งอะทำหนึ่งควรเจริญคือกายคตาสติสระโคด้วยความสําราญทำสองที่ควรเจริญคือสมถาวิปัสสนาทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปฐานสี่ทำห้าที่ควรเจริญคือสมาธิมีองค์ห้าทำหกควรเจริญคืออนุสติหก ทำเจ็ดที่ควรเจริญคือโพชฌงเจ็ดทำแปดที่ควรเจริญคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดทำเก้าที่ควรเจริญคืออนนะปาริสุทธิประธานิยังคะเก้าทำสิบที่ควรเจริญก็คือกสินสิบแล้วก็กลุ่มภาวนาทั้งหลายภาวนาหมวดสี่เนี่ยนะภาวนาอะไรบ้างก็คือภาวนาที่เป็นโลกิยะโลกุตระภาวนาที่เป็นรูปราวจรอรูปราวจรและโลกุตระภาวนาในการ ทำกิจอริยสัจทำกิจกำหนดรู้ทุก์ทำกิจละสมุทัยทำกิจทำนิโรธให้แจ้งทำกิจเจริญอริยมรรคก็ชื่อว่าภาวนาหรือภาวนาที่เป็นกุศลเบื้องต้นของของอัปอของฌานภาวนาในขณะที่เป็นฌานภาวนาที่ทำกิจอย่างเดียวกันภาวนาที่เจริญทำให้มากหรือว่าเป็นภาวนาที่กุศลธรรมทั้งหลายไม่ร่วงกันอินทรีย์ทำกิจเดียวกันนำมาซึ่งความเพียรเพื่อให้ เข้าถึงธรรมะนั้นๆธรรมะเหล่านั้นเจริญขึ้นแล้วก็เสพซึ่งธรรมะเหล่านั้นให้มากเนี่ยนะจนถึงแม้กระทั่งว่าที่เรณาเจริญจนถึงเข้าถึงอารหัตตมัตตแล้วก็ยังลงสู่อมตะนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะปัญญาที่ฟังเรียนรู้เข้าใจทรงจําไว้ได้สามารถเป็นบาตฐานแห่งการปฏิบัติต่อไปปัญญานี้ชื่อว่าสุตะมยญาญว่าปัญญาที่ทรงจำํำทำ ท, ที่ฟัง มาแล้วว่าทำเหล่านี้ควรเจริญชื่อว่าสุตตมยายามเนี่ยนะมันก็ปฏิสัมพิทาสุตตมยาญาณก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้มันด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ฟังจนจบบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นผู้ละความสงสัยได้เด็ดขาดในคุณของพระพุทธเจ้าละความสงสัยในคุณพระธรรมแล พระสงฆ์ให้เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิปทาตรัสรู้อริยสัจนะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่วนกัเนี่ยนะในที่สุดนี้ขอความขอสัตย์ผ้ามองคนจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยพุทธานุภาพธรมานุภาพสังขานุภาพขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดไป ขอเชิญฟังรายการพระธรรมตามพระไตรปิฎกบรรยายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโกทางสถานีวิทยุหนึ่งปนหนึ่งสาห้าเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาและยี่สิบเอ็ดนาิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาสนใจซีดีหรือเอ็มพีสาติดต่อดีที่โรงพยาบาลนวนครถนนพหนโยธินโทรศัพท์ 025294533ถึง41โรงพยาบาลนวันครอายุทยาถนนเอเชียโทร035315100ถึง30และมู ล, ลนิธิรักธรรมโทรศัพท์027115997ถึง8 Om b h a Ramu Om. Bahu Sachen Chetikancha Vinayoch Susikhto Subhasita Jayavacha Ye Tamangalamu Om.